you <laughs> ทําตัวให้ส บ, บายๆการที่เรามาอยู่ร่วมกันทําความรู้สึกตัวนี้ก็เพื่อว่าเราจะได้หาทางพ้นทุกข์ในชีวิตก็จะมีความสุขเราจะพ้นทุกข์ได้และก็มีความสุขได้นั้นเราต้องมารู้จักตัวเองรู้จักความจริงของตัวเราเอง ถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเนี่ยเราจะสแสวงหาความสุขแล้วก็หาทางพ้นทุกข์ไม่ได้รู้จักตัวเองก็คือรู้ความจริงของกายของจิตถ้าเรารู้กายและจิตมากเท่าไหร่แล้วก็เราก็จะไม่มีทุกข์นะคนเราทุกคนเนี่ยที่มาที่นี่ก็มุ่งแต่จะมาสแสวงหาความสุขใช่ไหม เราไม่เคยคิดว่าเราจะาทุกข์ออกจากจิตใจเราก่อนความสุขจะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องเอาความทุกข์ที่อยู่ในติดใจออกให้ได้ซะก่อนพอใจเราไม่ทุกข์เมื่อไหร่แล้วก็ความสุขไม่ต้องเรียกหาหรอกมันก็จะเกิดขึ้นเองได้เหมือนอย่างเราเป็นโรคคันคันตามเมื่อตามตัวน แม้ว่าเราจะเกาเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะจะแก้ปัญหาร่างกายไม่ได้ก็ยังคันอยู่แน่ถึงเราจะไปแสวงหาความสุขไปดูหนังไปฟังเพลงไปทานอาหารอร่อยๆออยจากสิ่งภายนอกถ้าหากว่าความคันในร่างกายแล้วมันไม่หายเราก็จะได้ความสุขบ้างทุกบ้างจนกว่าเราจะรักษาโรคคันให้หายก่อน ถ้าโรคขันหายไปไหนแล้วก็ความสุขก็จะเกิดขึ้นเพราะนั้นเราต้องดูตัวเราดูที่จิตใจเราว่าใจเรามันยังมีความทุกข์อยู่ไหมถ้าใจเรายังมีความทุกข์อยู่แม้ว่าเราจะแสวงหาความสุขมันก็จะเป็นความสุขแบบรบเปลี่ยนนะสุขช่วขณะดนึง แล้วเราก็จะมีความสุขบ้างทุกบ้างเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกมันวันมังเนี่ยสลับกันไปอย่างนี้แหละจนกว่าเราจะรักษาความทุกในจิตใจให้ได้ซะก่อนพอทุกในใจเราออกมาหมดแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขแบบแท้จริงสุขตลอดเวลามันก็จะไม่มีความทุกมาแม้ว่าร่างกายเราจะเจะ็บไค่ได้ป่วยร่างกายเราเจ็บไข่ได้ป่วยรักษาแล้วไม่หาย หรือไม่ดีขึ้นเนี่ยแต่ถ้าใจเราไม่ทุกข์เราก็ความป่วยไข้ทางร่างกายเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะฉะนั้นสำคัญที่ใจแหละสมาธิใจเราอย่างเดียวถ้าใจเราไม่ทุกข์วอย่างเดียวยสิ่งอื่นก็ไม่มีความหมายอะไรทุกทางใจนี่เกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดจากความคิดความคิดอดีตอนาคตเลยละ่ะ ไม่มีอะไรทำใจเราไปดูกตบความคิดของเราเองความคิดมีสองอย่างความคิดอันดับแรกคือความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดมันคิดขึ้นมาเองเไมเวลาที่เราจะนอนหลับเราตั้งใจจะหลับเราไม่อยากจะคิดอะไรแต่ความคิดมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อย นี่คือคิดแบบไม่ได้ตั้งใจคิดคิดขึ้นมาเองเราก็นอนไม่หลับพราความคิดนเวลาเราเจริญสติเรายกมือเคลื่อนไหวสร้างจังหวะเดินจงกรมเราก็ไม่ต้องการใช้ความคิดแต่ความคิดก็เกิดขึ้นมาเองเคยสังเกตไหมความคิดที่มันไม่ตั้งใจคิดเนี่ยมันคิดทีไรเราก็ยิดมั่นถือมันเนี่ยแล้วเราก็ไปทุกข์เพราะความคิดแบบนี่ คิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอดีตคิดถึงคนที่เรารักแล้วก็พลดพลาดจากไปซึ่งเราก็ไม่อยากคิดแต่มันก็คิดอย่างนันคิดทีไรเราก็ทุกใจทุกทีแล้วก็สิ่งที่เราเคยทำอะไรไม่ดีเอาไว้ในอดีต ท, ที่มันผ่านไปแล้วพอเรากลับไปคิดอีกทีโดยที่เราไม่ตั้งใจคิดเนี่ยมันคิดขึ้นมาเอง ผมขึ้นมาเองตอนที่เรากําลังไปฏิบัติหรือก่อนจะนอนเนี่ยมันก็ทําให้เราเป็นทุกข์ด้วยความคิดที่มันเกิดจากอดีตแล้วก็คิดวิตกกังวลในอนาคตโอ้ต่อไปข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไรเราจะอยู่อย่างไรเราจะแก้ปัญหาตัวเองได้ไหมอันนี้คือความคิดที่วิตกกังวลอนาคตซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยมันสร้างภาระตัวเรา อันนี้คือปัญหาที่เราต้องมีสติรู้วยทันในความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยเราไม่อยากคิดมันก็ต้องคิดก็มีความคิดอีกแบบหนึง่งเป็นความคิดที่เราตั้งใจคิดคิดด้วยสติด้วยปัญญาเช่นเราคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านไปแล้วเนี่ยโอ้นี่เราทาไม่ดีอย่างนี้ในอดีตเนาะต่อไปเราไม่ทาอย่างนี้นะต่อไปเราทาใหม่ทำใหม่ อ, มอันนี้คืออดีตที่มันปิดพลาด เอาเป็นครูสอนใจเราได้หรือความคิดที่เกิดจากอนาคตที่เราตั้งใจคิดเราคิดวางแผงนะคิดแก้ปัญหานะเรามีปัญหาแบบนี้นะต่อไปแก้ปัญหานะทาปัญหาให้มันหมดไปนี่คิดด้วยสติปัญญามันะมนแก้ปัญหาได้นะไอเนี้ยคิดด้วยสติด้วยปัญญา ม, มันช่วยในการทำให้เราเนียมีความสุขได้หลวงพ่อเทียนได้บอกว่า คนเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะความคิดโดยเฉพาะความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีสติเราเข้าไปอยู่ในความคิดเลยมายึดมั่นถือมั่นในความคิดเนี่ยมาเป็นเราพอเราเข้าไปในความคิดเอาความคิดเป็นเราแล้วเนี่ยมันก็คิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจนเรานอนไม่หลับ แนี่ยเราก็เป็นทุกข์แล้วมันคิดเลิกยากมันคิดเรีวยกว่ามันคิดยาวเนะี่ยเลิกยากไม่เหมือนไม่เหมือนความคิดที่เราตั้งใจคิดเนี่ยมันจบจบเป็นเรื่องเวลาจบได้ง่ายๆการเจิอสติจริงต้องรู้ใทันความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดต้องรวยให้ทันความคิดแบบนี้เราอย่าไปห้ามแต่เรารู้ให้ทันมันสติจะช่วยตัดกระแสะความคิด เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าคอร์สเนี่ยเรามักจะปิดวาจาปิดวาจาเพื่อป้องกันความคิดฟุ้งซ่านนี่นเราว่ขาดสติพอเราไม่พูดปิดวาจาความคิดมันก็น้อยลงแต่ถ้าเราพูดเนี่ยยิ่งพูดมันยิ่งคิดแล้วเรื่องที่คิดเนี่ยเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องปฏิบัติเรื่องที่บ้านเรื่องอดีตเรื่องอนาคตสติมันตามไม่ทัน เราห้ามไม่ให้พูดแต่ไม่ได้ห้ามไม่ให้คิดดีนะห้าแม่พูดเนี่ยขณะเครียดแบบนี้แล้วห้ามพูดแต่ถ้าห้ามคิดดไปแล้วกลัวอยู่ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> การฝึกสติฝึกทาความรู้ตัวเนี่ยมันเป็นการป้องกันไม่ให้มันคิดเยอะสติได้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยการออกจากความทุกข์โดยทันทีนะ ก็คือการมาอยู่กับปัจจุบันไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตการตื่นสติก็เพื่อการให้รู้ทันให้ความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยเราจึงใช้วิธีการมายกมือเคลื่อนไหวมันเดินจงกรม14จังหวะแล้วเดินจงกรมนี่แหละเป็นแบบกเป็นวิธีการที่เราจะาอยู่ที่บ้านเราจะกลับบ้านเนี่ยบางทีเราไม่มีเวลามายกมือสร้างจังหวะ ไม่มีเวลาเดินจงกรมเราจะแบบตัวเราอย่างไรในชีวิตประจำวันเนี่ยการฝึกเราจึงไม่ใช่ทําเฉพาะในรูปแบบเราทํานอกรูปแบบด้วยเวลาเดินไปโรงอาหารเวลาอาบน้ําเวลาทานข้าวการใช้พิถีพิถันนี้เราสามารถเติมสติเบิกสตินอกเหนือจากรูปแบบได้เท่านั้น เ่าบอกว่าเราเพลื่อนไวหวคลาดใดให้รู้สึกตัวเป็นการฝึกเอาไว้ฝึกเพื่อจะไปใช้ในทีวิะวันที่บ้านของเราโดยจะทำเวลาไหนบ้างทำนานแค่ไหนก็ต้องทำได้ทั้งวันเพราะเวลามีความทุกข์เนี่ยความทุกข์มันไม่มาเป็นเวลามันมาตอนที่เราเผลอสติท่นี่เวลาอยู่ที่บ้านเราจะป็นบัติที่บ้าน พรว่าเวลาที่ที่บ้านเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยมีเวลาจะมายกมือหรือมาเดินจงกรมถ้าใครมีเวลาส่วนตัวก็สามารถยกมือใช้จังหวะหรือเดินจงกรมได้เราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยพอเริ่มตื่นเช้าเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมีสติเลยพอรู้สึกว่าเราตื่นเนี่ยเราเยือเฉยเราเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวมือนอนทิ้งมือได้ให้รู้สึกตัว ให้สติมาก่อนให้สติมาคล้องจิตไปก่อนอย่าให้ความคิดมันมาก่อน okay. ถ้าแมวส ala ติมาก่อนเนี่ยความคิดมันจะมาก่อนถ้าความคิดมาก่อนเนี่คิดทั้งวันแต่ถ้าสติมาก่อนเนี่ยสติจะเกิดขึ้นบ่อยมากแม้ว่าความคิดอาจจะเกิดก่อนหรือความไปกินนอหอถ้าความคิดเกิดก่อนไม่เป็นไรให้เราตั้งใจที่จะฝึกสติ เอาติเข้ามาแทรกนะเพื่อขับไล่ความคิดออกไปในปัจจุบันนอนพิดหมือเล่นไปก่อนแล้วก็รู้สึกตั้งใจที่จะรู้สึกการตั้งใจเนี่ยทําให้สติมันมันตั้งมั่นถ้าไม่จิตมีน้ำหนักถ้าให้จิตมีนหนัแล้วก็มันจะอยู่กับเนื้อกับตัวได้ง่ายจิตรวงแรกเป็นชีวิตใหม่ต้องให้สติมากกว่ารู้สึกตัวก่อน สำคัญที่สุดเลยสำคัญว่าการแปลงปังนล้างหน้าด้ยวยซ้ำไปเราอาจจะออกกำลังกายอยู่บนเตียงบนที่นอนก็ได้ถ้าใครม่วงนอนในขณะที่ตื่นใหม่ๆนี่ก็ลุกขึ้นมาเลยเดินไปเดินมานี่จะทำอะไรแล้วก็มีสติจะแปลงฟั่นล้างหน้าเข้าลออ้างขับถ่ายก็มีสติตาไปไเรื่อยๆสติมันจะไม่เกิดตลอดเวลาวาทีมันก็เผลอหลงลืมไป ก็ไม่เป็นไรแล้วก็กลับมาตั้งรู้ใหม่มันหลงลืมไปก็ตั้งรู้ใหม่นึกขึ้นได้ก็รู้สึกทันทีเวลาจะทำอะไรเนี่ยให้ทำทีละอย่างการทำทีละอย่างไม่มีสติรู้ทีละอย่างมันจะทำให้ไม่สับสนสติเกิดได้ง่ายเราทำอะไรพร้อมกับอะไรหลายอย่างอย่างเช่นทานข้าวและดูทีวีทานข้าวแไรอ่านหนังสือเนี่ยสติมันไม่ค่อยเกิด ในโลกของความคิดตรงนั้นนะ่ะถ้าความคิดเกิดสติไม่เกิดถ้าสติเกิดเลยมันไม่มีความคิดหรอกให้ทําที่ไดีย่วและก็ไม่ต้องรีบร้อนบางจ่าไม่ต้องรีบรเกิดเกินไปการทําอะไรรีบร้อนเนี่ยต้สติไม่ค่อยเกิดหลงลืมสมมติเราจะรีบทํารีบทําตรงนี้เพื่อให้เสร็จแล้วก็จะรีบทําต่อไปลานข้างหน้าแล้วก็รีบทําต่อไป นี่แต่รีบกับรีบรู้ไหมการที่เรารีบทำเยู่อนี้ให้เสร็จรีบทำต่อไปต่อไปมันรีบทำไม่จบไม่สิ้นชีวิตข้างหน้าเนี่ยมันคือความตายการรีบทำอะไรก็าตามเนี่ยโดยที่ไม่มีความจะเป็นเนี่ยถ้าเรารีบไปตายก็ความตายมันรออยู่ข้างหน้าทุกคนอยู่แล้วเรารีบทำตัวนี้เพื่อจะได้รอความสุขในวันข้างหน้า ตอนนี้เราทำถ้ามีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความสุขอยู่แล้วในปัจจุบันถึงข่าวรีบแล้วก็รีบบางอย่างไม่จำเป็นต้องรีบแล้วก็ทำแบสแบ ส, บ, สบายๆการเดินข้ามถน น, มนก็ต้องรีบการทางข้าวไม่จำเป็นต้องรีบก็ได้ทางไปเทียนช้อนเราก็มีความสุขอยู่กับปัจจุบันเราสามารถเอาสติเติมสติได้ทุกเวลาในแต่ละวันในแต่ละวัน ทำงานก็มีสติใช้ชีวิตประจำวันเราก็มีสติเวลามราหลงลืมไปก็เริ่มต้นตั้งแต่เช้าจนเย็นจนทั่งก่อนนอนก็อนนอนมันก็จะ ม, มีสติอยู่ก็หลับด้วยสติเอาสติมาเป็นฐานไว้ก่อนเวลามีความคิดมาแทรกเราก็รู้ทันความคิดพอใจไม่พอใจถ้าเราจริติดทั้งวันเนี่ยเราจะรู้ทันในความคิดแบบนี้ ถึงเวลาจะคิดแล้วก็ตั้งใจคิดคิดอย่างมีสติมันก็มีประโยชน์ mm hmm. เวลาเราทำปฏิบัติอยู่ในรูปแบบเนี่ยเวลามันน้อยแต่เราสามารถจะมีสติในชีวิตประจำวันได้ทั้งวัน mm hmm. เวลาจะมีมากสติจะเกิดได้บ่อยมั้มันเป็นชีวิตจริงของเรา mm hmm. ในชีวิตปัจจุบันถ้าเราจะมีสติในชีวิตประจำวันไม่ได้ เราจะไม่รู้จักธรรมะเลยซึ่งเราทำได้ทั้งวันบางคนพอตั้งสติตอนเช้ามีสติดีอยู่แล้วแต่ว่าไม่จะเลยต่อไม่จะเลยสติต่อทั้งวันมารู้สึกตัวอีทกทีก่อนจะนอนโอ้สติเพิ่มมาก่อนจะนอนเห็นไมะลงไปทั้งวันเลยมารู้อีกทีตอนก่อนจะนอนก็ยังดีเพราะฉะ้ น, น พิธีการทําให้สติเกิดบ่อยๆนะั่นคือตั้งใจจะทําอะไรให้เราตั้งใจทาําณปัจจุบันนั้นจะทําอะไรก็ตามให้เราตั้งใจทาํา<ม>การตั้งใจทํำอะไร<ม>คือการตั้งสติของเราชีวิตเราจะอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาเลยนะถ้าอยากจะมีความสุขในชีวิตอยากให้ชีวิตเรามีความสุขเนี่ยมันต้องฝึกสติอยู่กับปัจจุบันที่เป็น ถ้าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันได้แล้วก็ความทุกข์อะไรก็ไม่เกิดขึ้นเลยที่เราจรึงมาฝึกเนี่ยมาฝึกในรูปแบบเพื่อสติมันมากขึ้นไว้จะได้เอาไปใช้เวลาที่เราไปอยู่ที่บ้านหรือเวลาทํางานอย่างวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติวันสุดท้ายเนี่ยมันต้องมีอะไรพิเศษหน่อยเราก็ต้องมีความตั้งใจ ความตั้งใจในการปฏิบัตั้งสติอยู่กับปัจจุบันให้ได้เราอาจจะไม่มีเวลามาไปฏิปัจจนี้อีกก็ได้อาจจะไม่มีโอกาสก็ได้ให้เราเฉลียโอกาสในวันนี้เนี่ยฝึกให้เป็นต่อนเนื่องอย่าไปเชื่อความคิดให้รู้ทันความคิดถ้ามันคิดขยายขึ้นมา แล้วก็ขยันตามความคิดเวลาความคิดมันคิดเกลียดไม่ถึงว่าเกียดให้เราหยุดทำเราก็ไปทำตามแต่ว่าเราเชื่อความคิดเราจะเสียทีความคิดเมื่อมันคิดขยัทนทำเราก็ก็ทำมันคิดเกลียดเราก็ทําถ้าเราจะทําเราทําด้วยตัวของเราเองไม่ได้ทำเพราะความคิดสระตันให้ทำ เราจะเลิกแค่ไหนหยุดแค่ไหน น, ะนั้นต้องแล้วแต่เราไม่ใช่ความคิดหรือว่าโอ้เมื่อยแล้วหยุดซะบ้างเนี่ยต้องเป็นตัวของตัวเองอย่าไปเป็นตัวของความคิดเราก็จะหลงไปในความคิดไม่ได้เห็นความคิดติดวันนี้วสุดท้ายก็ต้องตั้งใจหน่อยเนาะเทคนิคที่ว่าให้ตั้งใจทําแล้วก็ทำให้ต่อเ น, นื่อง ทำให้ส บ, บายส บ, บายและอย่าไปคาดหวังอะไร mm. การเจริญสติหรือการทํ า, วว า, าทความรู้สึกตัวเนี่ยเอาการทําความรู้ตัวมาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ว่าเป็นการลงทุนที่มีผลกําไรคุ้มค่านเราลงทุนตั้งใจทำความรู้ตัวเนี่ยมันเป็นการลงทุนส่วนผลกำไรคือความไม่ทุกข์แล้วก็มีความสุข เรียกว่าลงทุนน้อยแต่กำไรมากอย่าเชื่อผมให้ลองทางหน่อยที่ผ่านมาห้าวันหกวันที่ผ่านมาเนี่ยว่าทุกคนมีมการปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆที่ว่าไม่มีใครทำยิ่งทำยิ่งแย่ยิ่งทำยิ่ ง, ง, ง, งไม่ดีไม่ใช่เราทำเหตุไว้แค่ไหนผลมันก็สมควรกับเพิกแะละ้ว เราทำมาห้าวันหกวันก็ได้ผลแค่นี้แต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจน ต, นตลอดชีวิตเนี่ยเราจะเห็นผลมากมายใครบอกเราไม่ได้เราต้องบอกตัวเองเราถามตัวเองอย่างไรเราก็จะได้คำตอบอย่างนั้นมันเกิดความสงสัยก็ให้รู้ทันว่าสงสัยคือความคิด <c oughs> เห็นความสงสัยคือการเห็นความคิด เราจะน่ความคิดสงสัยโดยการที่ไม่ต้องหาคําตอบเมื่อเราไม่ไหาคำตอบเดี๋ยวความสงสัยมันก็หายไปถ้าหาคําตอบทีไรแล้วก็ความสงสัยก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆลองดูสิลองกล้าเถี่ยเผชิญหน้ากับความคิดสงสัยดูซิเอาลนะขอให้ทุกๆ ท, ท, ท่านเนี่ยมีสติมีปัญญา เอาช น, นะความทุกข์ในจิตใจได้แล้วก็มีความสุข ด, ด้วยกันทุกท่านทุกคน